ทีนี้ย้อนกลับมาอีกครั้งนึ่งว่าทุกคนทุกแห่งเนี่ยนะก็คือตาหูจมูกเล่นกายใจลองเราลองไปหาดูที่ไหนที่ไม่มีตาหูจมูกเล้นกายใจเนี่ยมีไหมถ้าไม่มีบางทวารเนี่ยมีแต่ที่ไหนในในในใ น, ใ น, ใ น, ในโลกเนี่ยนะที่ไม่มีจิตอยู่เนี่ยนะหายากเต็มทีแม้แต่ในน้ำพุร้อนร้อนเนี่ยนะก็ยังมีสัตว์ไปอยู่ในนั้นเลยอะน้ําุร้อนร้อนนะยังมีสัตว์ไปอยู่ใน บริเวณนั้นเลยนะเพราะฉะขันท่ามีอยู่ทุกคนทุกแข่งเนียนะที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ขันท่ามีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเหมือนกันหมดเนยนะมันก็ทุกคนทุกแห่งก็จึงไม่น่าปรารถนาเมื่อไม่น่าปรารถนาอย่างนี้แหละทีาเรียกว่าเจริญทุกขานุปัสนาหรืออีกชื่อหนึ่งเรียก อ, อะไรนะอัปปณิหิตานุปัสนา คือไม่ต้องการแม้กระทั่งทุกขนทุกแห่งไม่น่าปรารถนาะไม่น่าพอใจในทุกขนทุกแห่งเมื่อไม่น่าปรารถนาะไม่น่าใคร่ายไม่น่าพอใจอย่างเนี้ยจิตจึงคิดจะน้อมออกอย่างเดียวน้อมออกจึงมีการเปรียบเทียบในในลักษณะสิ่งที่เริ่มตรงกันข้ามนะตาหานี่เป็นทุกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็น อ, อุปาทะเป็นความเกิดขึ้นเป็นภัยถ้าการไม่เกิดขึ้นแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยปลอดภัย นะพยังกะเขมังกนะการเป็นไปแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นภัยถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นไปนี้ปลอดภัยนะการทำกรรมเพื่อให้มีพบใหม่ในต่อไปเนี่ยเป็นภัยถ้าเลิกทำกรรมเพื่อมีพบใหม่เป็นต้นนะปลอดภัยชาติเป็นภัยทยาที่เป็นภัยมรณะปริเทวะทยาที่เนี่ยนะอุปายาตเป็นภัย สิ่งที่ตรงกันข้ามสิ่งเหล่านี้ปลอดภัยทั้งหมดเหล่านี้เป็นมีอมิตรถ้าการพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีอมิตรเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารคือถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นนิพพานเนี่ยนะเอนจิตก็มุ่งที่จะน้อมออกนะั้งการปฏิบัติเพื่อต้องการจะต้องการจะสลัดนะนะต้องการจะวางจากอารมณ์นั้นให้ได้นะ ทีนี้ทำยังไงที่จะวางได้นั่นแหละทั้นกลุ่มที่ที่เรียกว่าเบื่อหน่ายในพยตูปฐานยานอาทีนวายานนิพถญ า, านตลอดจนถึงสังขารุปเปขายานเนี่ยนะถ้าตามแนวอธิตกปรยยสูตรเนี่ยจะจะเอ่อเป็นข้อความที่ที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะอย่างที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของ ร, ร้อนออ ร, ร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะและ โมหะทีนี้ร้อนพระชาติชราพยาที่มรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตอริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่ว่าเป็นของร้อนอย่างนี้ น, นะก็ย่อมจะเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจแนะ่ะก็คลายกำหนับวิราคาเนี่ยนะมก็เรียกว่าสลักจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ ันนหาทางปลดเรื่องจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะนั่นไอ้ไกลุ่มที่ต้องการหาทางปลดเรื่องจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นสังขารุปเปกขายานหรืออะไรปฏิสังขารในายานมุนจิตุกรรมเมตตาญาณและสังขารุปเปกขายานคือเป็นยานที่พิจารณาโดยความเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยแล้ว ต, ล<ด>ต้องการปลดเรื่องจากตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องการถอน ถอนฉันราคาในตาหูจมูกเล้นกาใจทีนี้ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเลยนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าผู้ที่เจริญวิปัสสนามีปัญญากว้างขวางลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยถ้าเขามีอินทรีย์นยะอินทรีย์เขาแก่กล้าถ้าเขาจะได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าจะเปล่งรัศมีมาต่อหน้าเขาเลยนะถ้าเจริญได้ขนาดระดับ อพยตูปถาดาญาณสังขารุปเปขาญาณเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะปรากฏเหมือนอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็จะตรัดคาถาสั้นๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าประกาศอริยสัพเนี่ยนะบอกว่าจงตัดฉันทราค่าในตนเสเถิดอย่างเีแปล ว, ว่าจงตัดอะไรในขันท่าซะเหมือนอะไรเหมือนถอนดอกบัวเห็นไหมเหมือนถอนดอกบัวจงเพิ่มปูนทางแห่งพระนิพพาน จงเพิ่มพูนสันเพิ่มพูนพระนิพพานเถอะเพราะทางเนี่ยพระพุทธเจ้าชี้นําไว้แล้วหรือว่าจงสแสวงหาพระนิพพานมุ่งพระนิพพานเถอะเพราะทางเนี่ยพระพุทธเจ้าชี้นําไว้แล้วจงปฏิบัติอย่างนี้แหละพระนิพพานเนี่ยพระองค์สแสดงไว้แล้วฉะนั้นในที่สุดเขาก็สามารถตัดฉันทราคะแทงตระหลอดอสังทักภาพได้ทีนี้สิ่งที่น่าคิดเนี่ยนะถ้ากล่าวถึงยาระดับสูงเนี่ย ภาษาทางธรรมทา่านใช้อยคาหนึ่งว่าหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบเนียนะมีอยคำหนึ่งนะก็เรียกว่าหลุดพ้นพะรู้โดยชอบเคยได้ยินนะหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบเนี่ยรู้อย่างไรจึงจะหลุดพ้นเนี่ยนะคำว่าหลุดพ้นเพะรู้โดยชอบหรือว่าวิมุติมุติเนี่ยนะหลุดพ้นเนี่ยแล้วรู้โดยชอบคือรู้เนี่ยรู้ว่าความเป็นกองแห่งขัน ความสืบต่อแห่งอายตนะความว่างเปล่าแห่งธาตุความเป็นใหญ่แห่งอินทรีย์เนี่ยนะอันก็คือเห็นความเป็นกองเป็นต้นแห่งขันนั่นแหละอย่างไรเสียนะก็ต้องอ่าการแทงตลอดอริยสัจนะก็คือการรู้ว่านี้ทุกนี้สมุทยัยใช่ไหมนี้นิโรถนี้ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทา เพราะฉะนั้นจิตในระดับสูงยิ่งน้อมไปเพื่อเห็นอริยสัจมากขึ้นยิ่งขึ้นเท่านั้นนะนะอ่าโดยเฉพาะน้อมไปเพื่อเห็นนิโรธสัจจะเพราะทุกขสัจกับสมุทัยสัจเห็นเป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจิตต้องการน้อมไปเพื่อแทนตลอดนิโรธสัจทีนี้ถ้าไม่เห็นนิโรธสัจจะสักทีหนึ่งล่ะท่านก็มาอบรมมาบ่มสปายะเนี่ยนะ เนหาธรรมะส ป, ปายะบุคคลส ป, ปายะเสนาสนะส ป, ปายะเป็นต้นหรือว่าเจริญกุศลให้ต่อเนื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณธรรมเหล่านี้ภาษาทางธรรมเรียกว่าปหิตตัตโตมีตนส่งไปแล้วนมีตนส่งไปแล้วหมายคําว่าไม่อะไรในร่างกายและชีวิตน้อมจิตไปเพื่อแทงตลอดอันนผ่านหรือน้อมจิตไปเพื่อแทงตลอดอสังคาตาธาตุอย่างเดียวอใน น้าหกสิบ้าอยู่นะอ้าหกสิบสี่ก่อนนะครั้งที่แล้วได้พูดถึงว่าพระโยคีบุคคลเห็นแจ้งอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเห็นแจ้งหมายถึงว่าเห็นแจ้งเพื่อที่จะตัดชั้นราคาในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเออเห็นแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปรารถนาที่จะพ้นจากภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณที่ติเจ็ดสกาวาดเก้าเป็นต้นอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเห็นเป็นขันนะ เห็นอนิจจลักษณะเออเห็นนิมิตด้วยอนิจจาลักษณะเห็นปวัตะด้วยทุกขลักษณะเห็นทั้งนิมิตและปวัตะด้วยอนัตตลักษณะอันเห็นความนิมิตนี่เครื่องหมายคือเห็นเครื่องหมายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นความเป็นไปด้วยความเป็นทุกเนี่ยนะคือเห็นขันท่าเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นความสืบเนื่องแห่งขันท่าเป็นภาระเป็นทุกเห็นทั้งนิมิตทั้ง ความเป็นไปแห่งขันห้าคือปะวะตะโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะก็สามารถจะเห็นว่าสัพเพสังขาราสุญญาแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างสังขารทุกสังขารเนี่ยว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพระนนลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ชื่อว่าสุญญตาสุญญตาหรือความว่างเนี่ยนะด้วยเหตุเพียงเท่าไหรน้อแลจึงชื่อว่าว่างหรือว่าจึงชื่อว่าสุญญตาเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนถามว่าอะไรว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนก็อาหูจมูกเล้นกายใจนั่นแหละว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตน คือตาหูจมูกเลนกายใจไม่ใช่ตนแล้วเป็นของตนไหมล่ะเมื่อไม่มีตนจกมีของตนมาจากไหนดังนั้นตาหูจมูกเลนกายใจก็คือตาหูจมูกเลนกายใจเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นสภาพที่เป็นทุกข์เป็นสภาพที่เป็นอนัตตาเป็นสภาพที่เรียกว่าไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่บุคคลอื่นทั้งไม่ใช่ ของคนอื่นอ้าวแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะนะมันเป็นตัวทุกตัวโทษตัวภาระะฉะนั้นก็ยิ่งยกขึ้นสู่สามัญลักษณะคือไตรักที่จจรณาอยู่ก็จะละความกลัวและความยินดีเสียได้อันนั้นก็คื อ, คอเรียกว่าเมื่อรอบรู้โดยประการทั้งปวงอ่ะนะก็วางเฉยวางใจเนี่ยนะวางเฉยวางใจเสียได้ไม่กลัว แต่เขาไม่ยินดีอ่ะาำว่ารังเกียจก็มาคือมันรังเกียจจนสุดรังเกียจแล้วอะนะไม่รู้จะรังเกียจเป็นยังไงอีกแล้วเฮ้ยักผมไหม่รักอะก็เลยเหมือนกับรังเกียจจนเลิกรังเกียจนะนะเหมือนกับเคยทานอาหารบางอย่างไหมทานจนเคกว่าทานจนเบื่อตอนหลังก็ถึงมีอาหารชนิดนั้นเห็นก็เฉยเฉยเนี่ยนะเห็นเฉยเฉยเฉยแบบไม่อยากกินเรียกว่า มันเบื่อเต็มที่เลยนะตอนหลังใครมาวางไว้ข้างหน้าก็เห็นเห็นวางอยู่ข้างหน้าก็ไม่ต้องการไม่เอาไม่ไม่อยากได้แต่ก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเบื่อเพราะไม่ไม่ต้องการกินอีกแล้วนะไอไอตอนที่ยังเบื่ออยู่ก็แสดงว่าตอนนั้นยังยังกินอยู่ทีนี้มันกินจนจนไม่เอาอีกแล้วนะจนเห็นว่าเออวางไว้ไม่ต้องการแต่ก็วางไว้นะ ก, ก็ไม่เอาอีกแล้วนะ ก็เห <enge> <mem es like that> like ็นข <ana> like mm ัน hmm. ห้าท on ุกขันเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็วางตนเป็นกลางอ่านอุปมาเหมือนกับบุรุษเห็นโทษของภริยาแล้วก็ทิ้งภริยาเสียแล้ววางเฉยมีตนเป็นกลางในร่างกายของภรรยานั้นก็เหมือนกับว่าชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไปรักผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะถึงกับแต่งงานกันซึ่งก็ตอนแรกมันก็ทุกอย่างก็เห็นแต่อาสาธะอย่างเดียวใช่ไหมดีเยี่ยมหมดเลยนะก็เห็นแต่อาสาธะ พออยู่ร่วมกันนานๆเข้าอาทีนะว่าปรากฏทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเข้าก็เลยก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เบื่อเต็มทีแล้วทําไงนาะหาเรื่องยาจะได้นะพอยาเสร็จแล้วก็ก็เทําใจได้แล้วเนี่ยอ๋อแล้วแต่เขามึงอยางนั้นเออเพื่อไอยาทั้งไอเจ้าว่าชังก็ไม่ใช่เพราะไปยากันแล้วไอเจ้าว่าชอบมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแหละเพราะมันมันมันเห็นโทษมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยไอ่เอี ไอ้ที่เรารักจริงๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่แหละก็เลยไม่ถืออาหารการว่าเป็นเราและมัมังการว่าเป็นของเราคือเห็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอย่างมากแล้วอนะแต่ว่ามันก็ต้องทนอยู่ด้วยกันอยู่อย่างนี้แหละทีนี้จากผลของการเห็นโทษอย่างมากแล้วจะว่าชอบมันไม่ชอบแล้วไอเจะว่าชังมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอะทําไมมันก็น้อมใจหาทางออกอย่างเดียว นะก็วางใจแล้วก็หาทางออกอ่ะนะหาหาทางออกแล้วนะะ่วนจิตของพโยคีบุคคลนั้นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ก็ย่อมหลีกออกถอยกลับหมุนกลับไม่ยินดีในพบทั้งสามเหมือนใบบัวโอนไปหน่อยหนึ่งหยาดน้ําทั้งหลายย่อมไหลไปถอยกลับหมุนกลับไม่ลื่นไหลไปนะนะี่ยเนีะยเออเอาขอไปไม่ไหลลื่นไป คือต้องการถอยกลับจากสังขารทุกชนิดน้องไปหาสังขารอะไรก็ไม่ค่อยไม่แช่อยู่กับสังขาร น, นั้นแต่ของเราเหมือนอะไรนะจิจปกตินะลองคิดถึงที่ทํางานดูนะคันห้าหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไยาวเลยนะคิดถึงบ้านยาวเลยคิดถึงเพื่อนบางคนเนี่ยนึกวายาวไปเลยนะไม่ค่อยถอยกลับง่ายๆใช่ไพนะลันไปเกือบทุกเรื่องไปหมดถ้าอย่างนี้แหละก็เรียกว่ายัางเจริญปัญญาไม่ถึงที่ที่สุดเนี่ยนะ อันท่าผู้ที่เจริญปัญญาอบรมปัญญาระดับสูงอย่างมากขึ้นก็จิตจะถอยกลับจากสังขาร น, นิมิตทุกชนิดอย่างนี้น